เป็นห้องผิดหมอนี่เราเรียนหมอกันอ่ะหมอยายารักษาน่าก็จะพูดไม่ได้รักษาคือรักษานหมายความว่ารักษาสิ่งที่เป็นมลพิษแก่จิตใจของคน เริ่มมาตั้งแต่วันที่ยี่สิบเดือนกรกฎาสามเก้าหรื อ, อ <c oughs> <c oughs> สี่ศูนย์วะนะะเฮ้สามเก้าสีู่นยก็แย่สิ <c oughs> แต่ว่าวันนี้คงไม่พูดอะไรมากเพราะว่า ตั้งใจจะแนะนำเรื่องขั้นตอนของยานนี่เป็นเรียกว่าขั้นตอนสำคัญขั้นตอนคือระยะที่เกิดขึ้นถ้าจะเปรียบเทียบง่ายๆเหมือนขั้นตอนการศึกษาขั้นตอนการศึกษาจะเป็นปฐมมัธยมถ้าผู้เรียนถึงขั้นไหนก็จะได้รับผลในขั้นนั้นๆเช่ น, น เริ่มเรียนจนอ่านออกเขียนได้เป็นชั้นปถมมีวิชาการกว้างขวางยิ่งขึ้นก็เป็นชั้นมัธยมมีวิชาความเป็นเลิศก็เรียกว่าชั้นปริญญาตามลาดับผลของการเรียนเหล่านี้เกิดจากความจริงขั้นตอนต่างๆเกิดจากความจริงในวิชาสาขา น, านั้นๆพร้อมทั้งมีหลักฐานของวิชานั้นๆคือประกาศนียบัตร ในแต่ละบุคคล น, นั้นในแต่ละบุคคล น, นั้นจะต้องนาวิชาการเหล่านั้นออกมาใช้เพื่อให้เป็นประโยชน์ต่อตนและบุคคลอื่นตลอดสังคมหมายความว่าการศึกษานำมาซึ่งความเป็นสื่อและความเข้าใจในสังคมโลกอย่างกว้างขวางทั้งขั้นตอนของการศึกษาแสดงถึงความสามารถของแต่ละบุคคลและเป็นการแสดงทึงคุณภาพกับสมรรถนะ เป็นภาพพจน์ของบุคคลนั้นนั้นจึงจะสามารถอธิบายประโยคเข้ากับคำว่าขั้นตอนของยานในที่นี้ก็จะให้ระดับขั้นตอนเรามาเป็นลำดับลำดับยานขั้นประถมลำดับยานขั้นมัธยมลำดับยานขั้นปริญญาเราก็จะอธิบายต่อไป ญาณคือความรู้ชนิดหนึ่งของจิตที่ได้รับการพัฒนามาจากสมาธิดังนั้นจึงเป็นตัวขยายความสามารถของกระแสจิตที่บ่มจากสมาธิและญาณตรงนี้จะมีพิเศษเกิดขึ้นเพราะการบ่มหมายถึงบ่มจุดพลังอำนาจตรงนั้น ก็จะมีกระแสะเป็นแนวแยกออกมาเป็นหน่วยของการก่อตัวด้วยความเป็นเช่นนี้หน่วยนั้นจะก่อตัวยานการขยายพัฒนาไปก็จเจริญไปทางยานหากหน่วยนั้นขยายพัฒนาไปทางยานมีข้อจํากัดว่ายานจะต้องร่วมออกงานหน่วยยานยานจึงจะสําฤทธิผลมาถึงตรง น, นี้ ก็จะได้เริ่มพูดถึงว่าขั้นปฐมคืออะไรขั้นปฐมของยานาหมายถึงว่ายานนั้นได้เกิดตามธรรมชาติยานที่เกิดขึ้นจากธรรมชาตินั้นมีความสามารถมากมายในโลกนี้อย่างพวกเราเรียนวิชาต่างๆเรายกให้ ตลอดจนกระทั่งการที่สามารถใช้ความคิดอ่านมีมีการคิดสิ่งที่เรียกเขาเรียกว่าดิสคัฟเวอรี่คือการคิดคน้นคิดค้นจนกระทั่งได้ไปเจออันนี้เขาเรียกว่าพวกยานทั้งนั้นยานเหล่านี้ตลอดจนกระทั่ง พวกที่คิดคนไฟฟ้าคิดค้นเครื่องบินคิดค้นอะไรต่างๆมาจนกระทั่งการคิดค้นการศึกษามาจนกระทั่งกคิดค้นการเลี้ยงเด็กทํำยังไงถึงจะดีหรือว่าคิดค้นที่จะแก้ไขสังคมต่างๆเหล่านี้ฮะเหล่านี้เราลําดับขึ้นมาว่าอยู่ในขั้นธรรมชาติธรรมชาติได้ สร้างขึ้นมาให้แล้วก็สติปัญญาก็ลดหลั่นกันตามลําดับอันนี้เรายกให้เพราะว่าเมื่อเขาเกิดสมาธิธรรมชาติเขาก็จะเกิดฌานธรรมชาติเมื่อเกิดฌานธรรมชาติเขาก็จะเกิดยานธรรมชาติจํานวนเหล่านี้เรายกให้เป็นขั้นปฐมทีนี้พอ มาถึงการอธิบายว่ า, าความรู้ชนิดหนึ่งของจิตที่ได้รับการพัฒนามาจากสมาธิดังนั้นจึงจะเป็นตัวขยายความสามารถของกระแสจิตที่มีการบ่มจากสมาธิญาณที่เขียนข้อความสั้นๆไว้ในย่ อ, ยอหน้าที่สองเนี่ยญาณคือความรู้ชนิดหนึ่งของจิต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 เข้าใจในเรื่องสมาธิก็เริ่มเขาเรียกว่ามัธยมหนึ่งก็ว่าไปอย่างนี้ที <c oughs> นี้เริ่มจากตรงที่ได้อธิบายมาแล้วเมื่อวานนี้ว่าเริ่มจากการบริกรรมพุทโธอันนี้เรียกว่าเริ่มสมาธิใครจะบริกรรมอะไรก็ใช้ได้แต่ว่าเริ่มมาจากนั้นแล้วยานก็เกิด ยานนั้นจะเกิดขึ้นมาพร้อมๆกันทําไมจึงไม่อธิบายตั้งแต่ต้นเราต้องการอยากจะแยกการอธิบายออกมาชัดเจนว่าอสมาธิเป็นอย่างนี้เราอธิบายมาอย่างเต็มที่ฌานเป็นอย่างนี้เราอธิบายมาอย่างเต็มที่แล้วมาถึงยานก็คือการที่รวมตัวอยู่อันเดียวนั่นเอง เพราะฉะนั้นหลวงพ่อจึงบอกให้ว่าใครคือผู้รู้เราตั้งกำหนดไว้เลยเพื่อที่จะเริ่มชั้นมัธยมเพราะฉะนั้นตรงนี้จึงมีพิเศษเกิดขึ้นเป็นการบ่มหมายถึงบ่มตรงจุดพลังอำนาจตรงนั้นทีนี้เราไปคิดว่าจุดพลังอำนาจนั้นนะเมื่อไหร่เราจะได้ ทั้งๆ ท, ที่เราก็มีอยู่ในจุดพลังอำนาจนั้นเพราะว่าจุดพลังอำนาจก็คืออยู่ที่ตัวผู้รู้นั่นเองแล้วก็จะมีฐานที่ตั้งอยู่ระหว่างกายหยาบและกายละเอียดติดต่อกันคือกายหยาบเนี่ยไปสิ้นสุดตรงไหน ที่เริ่มจะติดต่อกายละเอียดจุดพลังอำนาจจะอยู่ที่ตรงนั้นแล้วก็จะเป็นผู้รู้อยู่ที่ตรงนั้นทีนี้นับตั้งแต่เราบริกรรมพุทโธเรากำหนดเนี่ยมันจะถึงจุดพลังอำนาจอยู่ทุกครั้งทุกครั้งที่เราทำเพราะฉะนั้นตรงนี้จึงมีพิเศษเกิดขึ้น เป็นการบ่มหมายถึงบ่มตรงจุดพลังอํานาจตรงนั้นยานได้รับการบ่มมาตั้งแต่วินาทีนั้นเป็นต้นมาอตั้งแต่เราทํามาเนี่ยยานจะได้รับการบ่มมาแล้วเนี <c> ่ย <oughs> ทีนี้อเมื่อการบ่มก็จะมีกระแสเป็นแนวแยกออกมาจากหน่วยของการก่อตัวด้วยความเป็นเช่นนี้ หน่วยนั่นจึงก่อตัวเป็นยานขยายพัฒนาจเจริญไปทางยานหากหน่วยนั่นขยายพัฒนาทางยานข้อนี้มีจากัดว่ายานจะต้องร่วมงานกับหน่วยยานยานจึงจะสำฤทิจผลในข้อนี้อาจจะต้องสงสัยว่ายานจะต้องร่วมกับหน่วยยานเพราะฉะนั้นเหมือนกันกับ เอเราคิดเนี่ยตัวหนังสือและทีนี้เราเนี่ยเป็นผู้จับปากกาเราเป็นผู้จับปากกาเมื่อจับปากกาแล้วก็ไปเขียนตัวหนังสือและตัวหนังสือนั้นก็คือความรู้่หนึ่งและตัวเราที่จับปากกาเนี่ยก็จะต้องไป เ, เขียนตัวอักษรต่างๆตัวอักษรต่างๆนั้นคือยาน และตัวของเราที่กำลังจับปากกาเนี่ยก็คือยานันหนึ่งเพราะฉะนั้นเวลาที่หลวงพ่อให้ถามว่าจุดพลังอำนาจหมายความว่าใครคือผู้รู้อย่างเนี้ยใครคือผู้รู้นั่นน่ะคือเป็นหน่วยยาเหมือนกับเป็นตัวหนังสือที่มันอยู่ข้างนอกอย่างเนี้ยและทีนี้มันก็จะมี เ่ uh, ใจของเราเนี่ยที่กำลังนึกพุทโธเนี่ยไม่ใช่ใครไม่ใช่คนอื่นใจเป็นผู้นึก อ, อไม่ใช่เอาเทวดาที่ไหนมานึกไม่ได้เอาเอพระอินทร์พระพรหมที่ไหนมานึกไม่ได้ไเอาใจคนอื่นมานึกด้วยใจของเราเป็นผู้นึกเพราะฉะนั้นใจเนี่ยเ อ, อเป็นที่ตั้งของจุดพลังอํานาจเมื่อเป็นที่ตั้งของจุดพลังอํานาจแล้วใจเนี่ย ก็จะต้องเกิดเป็นหน่วยงานขึ้นเพราะฉะนั้นจึงมีข้อจากัดว่ายานจะต้องร่วมงานกับหน่วยยานจึงจะสมฤทธิผลสมาธิจะเป็นตัวหลักเพื่อที่จะทำงานเบื้องต้นของกายยาบขณะที่จิตกายหยาบยังธรรมดาก็อยู่ในระดับธรรมดาการจะเข้าสู่กายทิพย์ก็ตอนนอนหลับในระยะนั้นหมายถึง ระยะจิตธรรมดากับกายหยาบสมาธิยานยานก็จะได้เป็นระดับการใช้งานอาไปแบบปกติของมนุษย์โดยทั่วไปอันนี้หมายถึงว่าอย่างชั่นปฐมคือหมายความว่าเขาจะมียานเขาจะมีคิดเขาจะมีสมาธิเขาจะมีอะไรอยู่ในตัวของมนุษย์เนี่ยเอโดยทั่วไป อ, อย่างนี้เขาเรียกว่า เป็นของธรรมดา <c oughs> อการจะเข้าสู่ฌานได้เมื่อเป็นธรรมดาแล้วตามปกติมนุษย์ทั่วไปก็จะใช้ตามเอเฉพาะความเป็นสังคมโลกสุขทุกข์ดีชั่วสําเร็จไม่สําเร็จในสมาธิธรรมชาติจะอยู่กันได้แบบสังคมโลกโดยทั่วไปทั้งในอดีตที่ผ่านมาขณะนี้ปัจจุบันและต่อไปในอนาคต ซึ่งโลกก็จะต้องเป็นโลกาพิวัตรด้วยสมาธิฌานญาณแห่งธรรมชาติการเป็นโลกาพิวัตรก็ เ, เป็นอย่างปัจจุบันนี้มีความขัดแยง้งมีความแข่งขันมีการเอาเปรียบมีการเห็นแก่ตัวมีการถือมรณะกิจติมีความมาคาดมีความพยาาทมีความไม่รู้จักพอมีความหลงในโลกาพิวัตินั้นไม่อาจจะแก้ได้ มาพิจารณาดูตามความเคลื่อนไหวสิ่งเหล่านี้กับ จ, จะยิ่งทวีความรุนแรงยิ่งขึ้นทุกๆหมู่เหล่าทั้งเหล่าเล็กและเหล่าใหญ่เที่ยอ้างตนว่าเป็นผู้ทรงธรรมดังนั้นสมาธิฌานยานเหล่านี้จึงเพิ่มโทษไปในตัวโดยในตัวของมันโดยธรรมชาติก็ต้องเป็นเช่นนี้ตลอดไปเท่าไหร่ที่เราจะต้องประสบพบอยู่อันนี้ พูดถึงว่าธรรมชาติเนี่ยมันได้จริงคิดได้จริงทำได้จริงทุกอย่างทำได้จริงอะไรอะไรก็ทาได้มีสติปัญญาสามารถทาได้แต่ว่าเมื่อทำไปทำไปแล้วเพราะเหตุว่าไม่ได้สร้างพลังกิตขึ้นมีแต่พลังธรรมดามันไม่พอใช้มันก็เลยเกิดใ้ความที่จะต้องเกิดการ อความวุ่นวายขึ้นทีนี้เรามาพูดถึงว่าเมื่อเริ่มชั้นมัธยมต่อไปเนี่ยเริ่มตั้งแต่การสร้างพลังจิตยอย่างที่เราพากันทําสมาธิอยู่เวลาเนี้เราสร้างพลังจิตและในขณะเดียวกันเราก็ต้องสร้างยานขึ้นมาพร้อมๆกันด้วยเหตุนี้หลวงพ่อจึงพยายามที่จะให้นักศึกษาทั้งหลายเนี่ย มียานเพราะว่ายานตัวนี้จะเป็นตัวผู้ที่ลดระดับพายานยานในการสร้างขึ้นเนี่ยจะเป็นการลดระดับของพวกคือลดระดับของความหลงความไม่รู้จกักพอความพยาบาทความห้าค่าความอาเปรียบทิฏฐิมนณนะชอบโกงแล้วก็ว่าไปก็แล้วกันแต่สิ่งเหล่านี้มันจะเกิดขึ้นเอถ้าหากว่าเขา สิ่งเหล่านี้เกิดขึ้นเพราะไม่มียานที่สร้างขึ้นอย่างที่เรากำลังสร้างขึ้นมานี้ดังนั้นจึงมีการหาทางไปสู่ความสงบลดความเครียดเกี่ยวกับความขัดแย้งแข่งขันเอาเปรียบเห็นแก่ตัวได้แก่ทิฏฐิมานะไม่ยอมลดราวาสอมีความอาฆาตพยาบาทล้างแค้นไม่รู้จับพอเหล่านี้เป็นธรรมชาติของ อสังคมโลกเราจะลดระดับสิ่งเหล่านี้ได้หรือไม่ถ้าลดระดับเหล่ลานี้ไม่ได้ก็จะทวีวความรุนแรงต่อไปอันอาจจะเป็นการเพิ่มความหลงความเข้าใจมากขึ้นแม้จะเป็นโลกาภิวัตน์มากมายเพียงใดก็ตามสังคมมนุษย์โลกจะต้องพบกับความเป็นอันตรายอันนี้อมันอยู่ในเอในชัน้นผสมคือ อยู่ในการที่ได้แต่ใช่แต่ว่าไม่มีการที่จะลดระดับคือในจิตใจของออคนเราเนี่ยมันจะมีความโลภมันจะมีความโกรธมันจะมีความหลงสิ่งเหล่านี้เราไม่ได้คิดว่าจะสามารถกำจัดมันออกไปได้เลยแต่ว่าเราจำเป็นต้องหาทางที่จะลดระดับมันให้ได้การจะลดระดับ สิ่งที่ก่อเหตุเหล่านี้ลงได้เป็นหนทางที่ดีแม้เราจะตัดทั้งต้นเหตุเหล่านี้ไม่ได้แต่เราก็สามารถลดระดับความเครียดจากต้นเหตุเหล่านี้มาสักสามสิบสี่สิบเปอร์เซ็นก็สามารถจะลดระดับความเครียดระดับหนึ่งซึ่งจะเป็นผลดีมากดังนั้นการลดระดับต้นเหตุเหล่านี้จึงต้องเดินทางไปแก้ไขที่ต้นเหตุคือ ทั้งสามอย่างนี้คือสมาธิฌานญาณซึ่งเป็นหลักในการแก้ไขในจิตใจของเรารับความจริงแห่งธรรมชาติแก้ไขธรรมชาติให้สู่การพัฒนาใ <c oughs> นนี้การที่อจะทำอย่างนี้ขึ้นมาได้ก็ต่อเมื่อเมื่อเวลาที่เราจะสังเกตจิตใจของเราเนี่ยเมื่อเวลาที่เราทำสมาธิไปแล้วเนี่ย การลดระดับความโกรธการลดระดับความเครียดแค้นการลดระดับอะไรต่างๆเนี่ยเราไม่ต้องไปคิดว่าเราจะต้องลดระดับแต่ว่าในตัวของมันเองเนี่ยมันจะมีกลไกที่จะหมุนให้เกิดการลดระดับไปในตัวของมันเองขณะนี้เราปล่อยให้สมาธิ เ, เกิดขึ้นเองมันไม่พอใช้เพราะปัจจุบันการพัฒนากิจการต่างๆมากมายโดยเฉพาะการสื่อสารจากการตะกนเรียกมาเร็วมาเป็นวิทยุโทรศัพท์เครื่องบินดาวเทียมจรวดเพราะเขาต้องการย่นเวลากว่าจะติดต่อกรรันรู้เรื่องในแต่ก่อนนะต้องใช้เวลาเป็นปีหลายปีหลายเดือนปัจจุบันเพียงแค่นาทีเดียว ดังนั้นสมาธิจะต้องทำขึ้นการทำสมาธิต้องพัฒนาโดยให้ความสะดวกสบายทำให้ง่ายแต่ได้ผลเกินคาดหรือได้ผลมากกว่าในอดีตหลายร้อยหลายพันเท่าครูสมาธิจะได้เรียนแนวทางการสอนที่เป็นแนวทางง่ายๆเหมาะแก่การให้สังคมมนุษย์โลกสามารถทาสมาธิอย่างง่ายด เช่นกับมนุษย์แต่ก่อนยังทําอะไรยากมากก็ทําให้เป็นของง่ายขึ้นได้เช่นแต่ก่อนนอนเอาหินมามาตีให้แตกเป็นก้อนเอาเหล็กมาตีหินจนกระทั่งเป็นไฟขึ้นมาได้กว่าจะได้ไฟแต่ละครั้งต้องใช้เวลานานมากปัจจุบันต้องการไฟไม่ว่าชนิดใดกดปุ๊บได้ปับ๊บมันง่ายยิ่งกว่าปอกกล้วยเข้าปาก สมาธิในบรรดาคณะนักศึกษาสมาธิมีประสบการณ์มามากต่อมากก็ควรจะหาวิธีให้มีการทำสมาธิที่ง่ายๆได้ผลเพราะว่าสมาธิเป็นต้นพลังที่จะให้เกิดเกิดฌานเกิดยานและผลต่อไปเนื่องจากว่าหากมีการทำสมาธิสร้างขึ้นมาโดยระบบการกระทำไม่ยากและได้ผลก็จะทำให้บุคคลจำนวนมาก หันมาสนใจในการทําสมาธิมากขึ้นเนื่องจากการทําสมาธิแบบสร้างขึ้นนั้นคือการพัฒนาธรรมชาติให้ดีขึ้นก่อนที่ธรรมชาตินี้จะเหี่ยวแห้งหรือลดคุณภาพจนไม่มีอะไรเหลือไม่เหลือคุณภาพดังนั้นการสร้างสมาธิฌ า, านขึ้นมาเพื่อพัฒนาในตัวของมนุษย์จึงเป็นสิ่งที่สมควรแท้เพราะมันไม่ยากอะไรเลย ทีนี้ในที่นี้ต้องการให้เราเข้าใจเพราะว่าอย่างไรเสียครูสมาธิหรือเรียกว่านักศึกษาครูสมาธิทุกคนเนี่ยก็จะต้องมีโอกาสไดโอกาสหนึ่งที่จะต้องออไปช่วยสังคมในการสอนเรื่องของสมาธิเพราะฉะนั้นเราก็ จะต้องมาทราบขั้นตอนต่างๆเช่นการทำสมาธิเนี่ยหลวงพ่อมีหลักการอยู่แล้วถึงเก้า อ, อย่างต่อไปในการข้างหน้าทีนี้ก็ข้ามไปเลย เ, เพราะว่าส่วนอื่นๆเนี่ยอ่านเอาเองทีนี้ข้ามไปถึงว่ากระแสหมายถึงว่า เอกวิท ญ, ญาทุกวิท ญ, ญาติวิท ญ, ญาจะอธิบายสามอย่างนี้ออ <c oughs> อันนี้คือญาณหมายความถึงว่าญาณเนี่ยญาณที่เป็นเอกวิท ญ, ญาญาณที่เป็นทุกวิท ญ, ญาญาณที่เป็นติวิท ญ, ญาในญาณทั้งสามอย่างเนี่ยมีความจําเป็นคือจําเป็นที่เราจะต้องรู้ว่า เอากาวิท ญ, ญาคืออะไรทุกวิท ญ, ญาคืออะไรติวิท ญ, ญาคืออะไรมันจะมีอยู่สามอย่างนี้รวบรวมของยานเนี่ยยานทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นยานที่จะไปใช้อะไรก็ตามจะสรุปลงมาได้ว่ามีหลักการอยู่สามอย่างคือเอากาวิท ญ, ญาทุกวิท ญ, ญาติวิทยญญาทีานี้ อธิบายถึงเรื่องเอกาวิทั ญ, ญาเอกาวิทั ญ, ญาทำแล้วรู้ว่าอนาคตเป็นอย่างนี้นั่นความรู้มาทันทีพร้อมกับจุดหน่วยขยายทราบว่าในอนาคตคือสิ่งที่ต้องการทราบคือจะมีความชัดเจนขึ้นทันทีและมีความแน่นอนปราศจากข้อกังขาทีนี้เอ่อ จะอธิบายให้ฟังว่าอันนี้อธิบายไว้ย่อยๆอย่างนี้คงเข้าใจยากเอพูดให้ง่ายขึ้นว่าเวลาที่จิตของเราเนี่ยมันอาจจะเข้าปฐมฌานก็ได้อาจจะเข้าทุติยฌานก็ได้ไปอยู่ในลักษณะอที่เรียกว่าความเป็นหนึ่งมีอารมณ์ันเดียวคือมีความเป็นหนึ่ง เมื่อเป็นเช่นนั้นจุดพลังอำนาจจะทำงานหน้าที่ของจุดพลังอำนาจจะเริ่มทำงานพอเริ่มทำงานแล้วผู้ที่สามารถใช้เอกวิท ญ, ญาคือผู้ที่เขาเรียกว่ามีเชาวเทดีมากและสามารถทำสมาธิเข้าสู่ระดับ ปฐมมฌานก็ดีทุติฌานก็ดีหรือตติฌานก็าตามเมื่อจิตนั่นกําหนดลงไปอยู่ความเป็นหนึ่งญาณนั่นจะเกิดขึ้นทันทีว่าสิ่งนั่นต้องเป็นอย่างนั้นอันนี้เขาเรียกว่าเอเวกวิท ญ, ญาโดยไม่ต้องมีอะไรไม่ต้องไปคิดถึงอะไรจะบอกทันทีเลยว่าเช่นว่า วันนีคนนี้คนหายเอาเรื่องคนหายก็แล้วกันบอกว่าเวลานี้ลูกชายฉันหายไปไปอยู่ที่ไหนเอากาวิทธัญญาจะเกิดขึ้นทันทีว่าเฮ้ยมันอยู่ที่เพชรบุรีตัดใหม่แล้วตรงซอยไห น, นอยู่ที่ซอยสามหรือซอยสี่เล้ ว, ว่า พอเวลาที่จิตเนี่ยมันเข้าไปสู่ปฐมฌานหรือทุติฌานเนี่ยแล้วก็จุดพลังอำนาจจะเข้ามาจอยแล้วทํางานทํางานแล้วมันจะไปรู้เลยว่าไอเนี่ยมันกําลังเดินอยู่ที่ซอยสามอย่างนี้เป็นต้นออันนี้เขาเรีย ก, ก ว, ญญว่าเอกวิทญาคําว่าเอกวิทญาเนี่ยคือกําหนดจิตภาพเนี่ยจะไปรู้เลยอันนี้เฉพาะอผู้ที่มีชาวนะณะ เขาเรียกว่าชาวนา 99% หายไปเพียงแค่จุดหายไปแค่หนึ่งเท่านั้นเองชาวนาเนี่ยจะ 99% ทีนี้มาถึงูุวิธัญญาขณะที่จิตสำนึกอยู่ที่จุดของหน่วยขยายจิตจะวิโตขึ้นหมายถึงตั้งคำถามขึ้นสิ่งที่ต้องทราบก็จะปรากฏขึ้น เป็นไปตามที่ต้องการนี่เป็นการชัดเจนโดยปราศจากข้อกังขาทีนี้สมมติว่าเราอยากจะรู้ว่าลูกมันหายไปแล้วลูกของคนนั้นนะหายไปมันไปอยู่ที่ไหนพอไปอยู่ที่ไหนมันจะมีที่ซอยสามนี้หรือเปล่าจิตนี้ก็จะต้องถามขึ้นทันทีว่าอห ให้เด็กเนียมันมาอยู่ซอยนี้หรือเปล่าอันนี้อ๋ออยู่ซอยนี้ใช้ได้อันนี้ต้องใช้เวลาใช้เวลาว่ามันจะต้องมีอะไรให้ปรากฏปรากฏแล้วก็ไต่ถามเรื่องของการปรากฏขึ้นก็จะรู้ว่าไอ้เด็กคนนี้มันมาอยู่ที่นี่จริงอย่างนี้เขาเรียกว่าทุกวิท ญ, ญาทุกวิท ญ, ญานี้ จะอยู่ในชาวนะของบุคคลนี่ประมาณหกสิบของชาวอาอาตองกว่าอันดับแรกไปสามสิบอย่างเนี้ยจะอยู่ในในที่หกสิบของของชาวาสมาธิทีนี้มาถึงติวิท ญ, ญาในขณะจิตสำนึกที่จุดของหน่วยขยายปรากฏเป็ น, นีิมิขึ้นตามเหตุการณ์นั้น แล้วจิตวิตกหมายถึงตั้งคำถามขึ้น <c oughs> และจะได้รับคำตอบว่านิมิตหมายความเช่นนี้ก็จะทราบอนาคตของสิ่งที่ต้องการทราบปรากฏชัดแจ่มแจ้งในกรณีนั้นในที่นี้ถ้าหากว่าเป็นสติวิท ญ, ญานี่สมมติว่ า, าลูกของเขาหายไปอย่างนี้เราก็ต้องเอาเอ อห้รูปของ เ, เด็กคนนั้นขึ้นมาเนี่ยตั้งเขาเรียกว่าต้องตั้งขึ้นเมื่ อ, เ, อเมื่อตั้งขึ้นมาแล้วเนี่ยก็จะเห็นเด็กถ้าไม่เห็นก็ไม่รู้อยู่ไหนแต่ว่าถ้าเห็นก็ ถ, ถือว่ารู้แล้วว่ามันจะไปอยู่ที่ไหนทีนี้ก็คำวิจตกรถามว่าเวลานี้เด็กมันอยู่ที่ไหน อออยู่ที่ซอยสามแล้วอยู่ที่ซอยสามนั้นแท้จริงหรือไม่นิมิตก็จะเกิดขึ้นบอกว่าจริงเสร็จแล้วเอถึงจะรู้ว่าเด็กนั้นอยู่ที่ซอยสามอย่างนี้เ้าเรียกว่าติคือติก็หมายความว่าสามสามคือการสร้งตั้งนนมิตขึ้นแล้วถามนิมิตนั้นว่า เป็นคนนิจจริงหรือไม่ข้อที่สามก็คือว่าอยู่ในสถานที่นั้นจริงหรือไม่อันนี้คือติวิท ญ, ญา <c oughs> ติวิท ญ, ญานี้ชาวนะของความสามารถของสมาธิจะมีอยู่ห้าสิบจะมีอยู่ที่ห้าสิบเปอร์เซ็นต์ันนี้ในเรื่องของยาณเหล่านี้นี่นี่เรายกตัวอย่างอย่างเดียวมันจะมีในจํานวนเรื่อง หลายๆอย่างเช่นบางคนจะริญนวิปัสสนาเนี่ย อ, อถ้าเป็นเอกวิทั ญ, ญามันก็จะถึงทีเดียวถ้าเป็นติวิทั ญ, ญาต้องสร้างมันขึ้นมาต้องนิมิตขึ้นมาถ้าเป็นทุกวิทญาต้องสร้างนิมิตขึ้นมาถ้าเป็นไม่ใช่สร้าง อ, อคือเกิดนิมิตขึ้นมาเกิดขึ้นมาเอง ทนี้ถ้าหาผลเป็นสิ่งวิทยาเนี่ยต้องสร้างนิมิตขึ้นมาอาต้องสร้างตัวขึ้นมาถึงจะรู้ในยานเหล่านีา้ยานทั้งหลายนั้นมีมากแต่ยานเหล่านี้จะต้องถูกต้องตามกระบวนการมิฉะนั้นจะมิใช่ยานเพราะว่าผู้ต้องการจะทราบอนาคตแม้ผู้มียานจะพิจารณาแต่ขาดกระบวนการ สิ่งนั้นจะพลาดไปทันทีแม่ผู้มีญาณ น, นั้นๆก็อาจจะสงสัยตนเองที่อีกด้วยอย่างนี้คือถ้าหากว่าเราพูดกันว่าญาณอย่างเนี้ยอันนี้เราเรียกว่ายาณที่สร้างขึ้นถ้าพูดกันถืงว่ายาณอย่างเนี้ยมันจะต้องไม่ใช่ความนึกคิดไม่ไม่ใช่ความเดา ไม่ใช่ความคาดคะเนเนี่ยถ้าเป็นญาณมันต้องไม่ใช่ความนึกคิดเพราะอะไรเพราะว่าการศึกษาญาณ น, นั่นเนี่ยนั้นน่ะเป็นการศึกษาเพื่อแก้ความผิดพลาดในกรณีที่ต้องการความกระจ่างแจ้งต้องอาศัยญาณผู้อบรมญาณแบบสม่ำเสมอการผิดพลาดในการทำสมาธิฌานมีน้อยมาก การคาดคะเนหรือการเดาการวาดภาพมโนภาพสิ่งเหล่านี้ไม่ใช่ยานก็เรียกว่าเป็นเพียงจินตนาการเช่นการคาดคะเนว่าโลกนี้มันแบนเพราะเดินไปทางไหนเห็นแผ่นดินที่ราบทั้งนั้นแล้วการคาดคะเนนี้ก็ผิดอย่างช่วยไม่ได้เพราะว่าที่จริงแล้วโลกนี้มันกลมทังนั้นเมื่อทราบถึงขั้นตอนว่ายานนี้ เกิดขึ้นอย่างไรมีความเป็นจริงอย่างไรอย่างที่บุคคลควรทราบล่วงหน้าว่าจะมีดาวหางเกิดขึ้นในวันนั้นเวลาเท่านั้นที่ประเทศนั้นและดาวหางก็เกิดขึ้นจริงตามวันและเวลาดังกล่าวอย่างนี้ก็ชื่อวิาจา์แม้จะเป็นหลักวิชาการของการคำนวณตามแนวของนักดาราศาสตร์ที่วางแนวคิดไว้ให้แต่ก็ต้อง ให้ความรู้ของตัวบุคคลดําเนินการคํานวณแม้จะเรียกว่ญญาณธรรมชาติก็คือความจริงดังนั้นญาณที่เกิดขึ้นจากนักสมาธิมีความโดดเด่นจากธรรมดาเข้าถึงความกว้างขวางลึกและความสูงจึงทําให้เหนือญาณธรรมชาติมากนายอย่างไรก็ตามญาณที่สร้างขึ้นจากสมาธิแม้จะลึกซึ่งมากเพียงใด ก็คือการเป็นไปแบบเดียวกันถ้ามีเพิ่มขึ้นจริงสำหรับยานที่สร้างขึ้นแต่ลักษณะขั้นตอนเป็นไปในทํานองเดียวกันเช่นเดียวกับธนบัตรจะเป็นใบระบาดก็คือธนบัตรเป็นใบละร้อยละพันก็คือธนบัตรยานแม้จะลึกซึ้งเพียงใดมันมีลักษณะอย่างเดียวกันอย่างเทวันที่เขาคิดทำมาค้าขาย อย่างคนที่เขาคิดการงานต่างๆได้อย่างเนี้ยมันก็คือญาณแล้วก็ญาณอันนั้นแหละสหากะจาเอาไว้ได้นะแล้วก็มาทำสมาธิก็คือญาณอันเดียวกันนั่นเองเพราะมันไม่ใช่ใจของคนอื่นใจของคนนั้นเองที่มันเป็นญาณเขามาทำสมาธิเขาก็เอาใจอันนั้นแหละมาทำญาณจึงเป็นขั้นตอนแบบธนบัตินั่นเอง ยานอันเดียวกันและอันเดิมนั่นเองแล้วแหละก็มาเป็นขั้นตอนของธนบัตรขั้นนี้หนึ่งบาทขั้นนี้ห้าบาทขั้นนี้สิบบาทขั้นนี้ร้อยบาทพันบาทแต่ก็คือธนบัตรที่เราครอบครองอยู่นั่นเองโอ้ชักเหนื่อยสแบบนี้เดินพูดไม่หยุดนี่ <c oughs> เข้าหลักการมากแล้วนะตอนนี้ก็ คนจะอธิบายไว้นี่เพราะว่ายังมีอีกเยอะเลยหลายขอ้อก็คนจะต้องย้ำเพื่อให้เกิดไอ้ความไอชัดเจนขึ้นมาแต่ว่ายังไงก็ตามก็จะต้องพูดถึงเรื่องหลวงปู่มัน่นตามเคยเพราะว่าท่านเดินทางไปถึงเขาพงงามแล้วก็ท่านทำอะไรที่นั่น ในที่สุดก็คงจะต้องพูดย่อเข้าไปหน่อยไม่งั้นก็ไม่จบไม่ลงก็ว่าเมื่อท่านอยู่ที่นั่นแล้วความเข้าใจและความรู้ในเรื่องของการทำสมาธิตั้งแต่ขั้นต่าขั้นกลางและขั้นสูงเรียกว่าชัดเจนที่สุดในในขณะทีเ่เล่ามาเนี่ยท่านยังอยู่ที่อุบลนะ ท่านนั่งเล่าให้หลงพ่อฟังเน่แล้วในเมื่อท่านเข้าใจในเหตุผลทุกอย่างสิ้นความสงสัยแล้วว่าการที่จะแนะนําสั่งสอนใครก็ดีเมื่อทําอย่างนี้ไม่ผิดท่านตัดสินใจได้เมื่อท่านตัดสินใจได้อย่างนั้นแล้วอนับนตั้งแต่ปีนั้นเป็นต้นมาจะเป็นพศไหนจะไม่ได้ ท่านก็เริ่มสอนสอนพระองค์อื่นต่อไปแต่ก่อนแต่ที่ท่านจะมาถึงเขาพงงามเนี่ยท่านจะยังไม่สอนใครเด็ดขาดเพราะการที่ไปสอนคนอื่นนั่นในขณะที่ตัวเองยังสงสัยอยู่ท่านไม่ยอมท่านว่านะ <c oughs> เพราะฉะนั้นท่านจึงเริ่มสอนใครเป็นคนแรก สอนพระอาจารย์สิงขันทยาคมโมเป็นองค์แรกในขณะนั้นพระอาจารย์สิงห์บวชแล้วก็มีพรรษาหลายพรรษาแล้วหกเจ็ดพรรษายยกประมาณ2ี่สิบกว่า <c oughs> <c oughs> ก็ท่านเห็นว่าอาจารย์สิงห์เนี่ยควรจะเป็นผูท้ที่ช่วยงานพุทธศาสนาได้เยอะท่านก็ท่านเดินไปเอง พระอาจารย์สิงห์เนี่ยท่านไปเป็นครูเป็นครูนักเรียนเนี่ยแต่ว่าเป็นพระเป็นพระแล้วก็เป็นครูสอนนักเรียนนักเรียนเด็กเนี่ยนักเรียนเด็กนี่แหละแล้วลท่านอ่ะไม่ใช่ว่าจะเรียกพระอาจารย์สิงห์มาหาท่านแต่ท่านเนี่ยเดินไปหาพระอาจารย์สิงห์อ้าวเออแต่ท่านอาจารย์ไปไหนมาเออนี่สิงห์เรามาคุยกันหน่อยดีไหม ดีครับว่าอย่างนั้นแล้วก็ยังไม่ค่อยจะเลื่มใสเท่าไหร่นะดีครับอเออถ้าดีครับก็ทำํทำตามเราหน่อยได้ไหมได้ครับถ้าทำอย่างนั้นก็ไปนั่งกันที่เ อ, อที่ใดที่หนึ่งพระอาจารย์สิงห์ก็ตามพระอาจารย์มั่นไปแต่เชื่อครึ่งหนึ่งไม่เชื่อครึ่งหนึ่งอาจารย์สิงห์เพราะว่าท่านสอนนักเรียนมาพอแรงแล้ว พอเวลาที่ไปนั่งท่านจะให้พระอาจารย์สิงห์เนี่ยนั่งนั่งสมาธิด้วยกันสามสิบนาทีพอแล้วอ่โอ้ยทําไมอาจารย์พาผมนั่งนานนักหนาล่ะว่าไงนะโอ้โหตั้งสามสิบนาทีเออแล้วแกไปลองทําเองดูแล้วแกทําอย่างนี้นะท่นจะบอกให้อาจารย์สิงห์กลับคืนไปก็จะไปนั่งอยู่สามวัน มันก็เกิดอะไรขึ้นเกิดตัวลอยขึ้นน่ะความจริงอ่ะตัวไม่ได้ลอยหรอกแต่ในลักษณะของความเป็นเนี่ยตัวลอยขึ้นอุยทําไมเราเป็นอย่างนี้รีบไปกราบพระอาจารย์สิงห อ, อแม้ผมไม่รู้เป็นยังไงครับว่างั้นตัวลอยเลยเอ้าก็นั่นสิมันเป็นชานแกไม่รู้หรือเนี่ยแกทํานะต่อไปแกต้องทําอย่างนี้อย่างนี้ท่านแนะให้เลย เสร็จแล้วท่านกท็ทว ด, ดงองไปทางอื่นปล่อยให้ท่านอาจารย์สิงอยู่ต่อมาวันหนึ่งท่านเดินไปสอนนักเรียนนักเรียนเนี่ยพอสอนเหมื้นกสอนธรรมดานะพอสอนหันกลับรั บ, บโอ้โหไม่เห็นใครนุ่งผ้าสักคนเลยนักเรีย น, นยแก้ผ้าหมดแต่ว่าไม่ใช่แก้ผ้าธรรมดานะ เอ่อเนื้อหนังมันหล่นเพี้ยงเหลือแต่กระดูกถ้ามองไป ข, ขยี้ตาขยี้แล้วขยี้อีกแอนนี่มันกระดูกทั้งนั้นเนี่เอ้ามัขยี้ไปขยี้มาเอา่อกระดูกเออบอกบรุ่งขึ้นอีกวันหนึ่นทงท่านก็เดินกลับมาโรงเรียนบอกว่านักเรียนทั้งหลายแบบนี้ครูจะลานักเรียนแล้ว จะกลับไปปฏิบัติไม่สามารถจะสอนนักเรียนยได้ต่อไปแล้วในที่สุดท่านอาจารย์สิงห์ท่านก็ได้มาเป็นผู้นำในคณะปฏิบัติเนี่อยู่ในระยะหลายสิบปีแม่พระอาจารย์โกมาจิระกุญโยที่เป็นอาจารย์ของหลวงพ่อเนี่ยท่านก็ไปตามพระอาจารย์สิงห์ แล้วก็มาสร้างวัดที่บ้านใหม่สำโรงในคราวนั้นนผงนนจะเล่าต่อไปไม่ไหวอาทานี้แล้วนะ <c oughs> เป็นการคงถามตอบกันต่อไปอีก <c oughs> ก็มาถึงคุณชานชัยมะโนไมพิบุญกราบน้อมักการณพระอาจารย์ครับในหนังสือ ของพระอาจารย์หน้าที่94เขียนไว้ว่าทิศมันกายนั้นสะสมพลังเป็นพันเป็นหมื่นปีอยากจะทราบว่าทิศมันกายสะสมพลังได้อย่างไงครับคืออนาทิศมันกายเนี่ยเวลาเราทําสมาธินี่ยเราก็สะสมไว้ที่นั่น <c oughs> เนื่องจากว่าอนาทิศมันกายนั้นเป็นนามธรรม แล้วก็อยู่กับจิตนั้นตลอดไปทีนี้เมื่ อ, อาการสะสมมาเนี่ยนับร้อยนับพันนับหมื่นปีเนี่ยแต่ไม่ใช่สะสมอย่างว่าพลังจิตนี้บางชาติเราอาจก็จะไม่ได้ทำสมาธิบางชาติก็อาจไม่รู้ไปเกิดที่ไหนอะไรเป็นต้นแต่อย่างไรก็ตามเราต้องถือว่า อาติสแานกายนั้นจึงเป็นแอนติกนะวัตถุโบราณที่ยาวนานที่สุดเพราะฉะนั้นมันจะต้องมีของวิเศษอยู่ในนั้นเยอะเมื่อคนเราเนี่ยได้สามารถทําสมาธิจนกระทั่งสัมผัสอาิสแานกายได้เขาจะไปรู้อะไรพิเศษพิเศษขึ้นแล้วที่หลวงพ่อให้เอจิตไปคลุกครีกับอาติสแานกายนั้นทํายังไงครับขอความกระจ่างนิดนึง แม้เวลาที่เราทำสมาธิพอเคลียรร่างกายหยาบเนี่ยหมดหมายความว่าหมดความรู้สึกในร่างกายหยาบแล้วก็จะเข้าสู่กายละเอียดทันทีอย่างสมาธิเนี่ยโดยมากก็จะได้เข้าคุกเคลีอยู่กับอาธิสมันกายอยู่ตลอดถ้าหากว่าจิตนั้นได คือได้ที่อ่ะได้ที่สมมุติว่าอย่างที่ว่ามันไปเป็นในพุมทมัชฌานุติยาฌานอะไรไปอย่างเงี้ยอย่างที่ได้แสดงกลางไปแล้วเนี่ยจะเข้าคุขีได้ทันทีขออีกนิดเดียครับทําไมจิตถึงสะสมพลังไม่ได้ตอนที่อยู่ในฌานครับพระอาจารย์จิตนั่นน่ะเป็นผู้สั่งการคือหมายความว่าจะเป็นอเจ้าของแต่ว่า ทาทางที่เป็นเจ้าของก็คือเป็นผู้ที่สั่งการที่มันกายก็คืออาจจะถือว่าเป็นสมบัติแต่ทีนี้สิ่งที่จะต้องอยู่ด้วยกันมันเหมือนกับสิ่งที่อยู่ด้วยกันอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นจิตจะเป็นผู้ทาเป็นผู้ฮ ะ, ะทีนี้เราต้อฟังไม่ถนัดทีนี้คำถามว่างไงนะ คำถามว่าทําไมจิตถึงไม่สามารถสะสมพลังขณะที่อยู่ในฌานครับอ๋อไม่จิตไม่สามารถที่จะสะสมพลังเมื่อเหรอตอนตอนอยู่ในฌานครับเมื่ออยู่ในฌานครับผมก็จจิตก็เป็นฌานแล้วก็คือความการระงับเนี่ยพอระงับ กายยามคืออารมณ์ทั้งสามได้แล้วเนี่ยจิตก็จะต้อ ง, ไ ม, ไ, มง ไ, อไม่ไม่ส่งกระแสไปอื่นเมื่อไม่ส่งกระแสไปอื่นแล้วตอนนั้นก็สัมผัสอยู่กับอาทิสมันกายพลังจิตก็จะได้ไปอยู่ที่นั่นแต่ว่าในขณะเดียวกันเนี่ยเมื่อฌานเกิดขึ้นเนี่ยจิตเป็นผู้ที่ เอสร้างทำชานได้เกิดขึ้นเพราะว่าจิตนี่มปนคนนึกนึกไปแล้วก็จิตก็เป็นคนอยุดถ้าจิตไม่สร้างขึ้นเนี่เอจิตมันก็หยุดไม่ได้แต่เมื่อจิตหยุดได้แล้วเนี่มันก็เกิดสมบัติเคยพลังนี้ขึ้นเมื่อเกิดพลังนี้ขึ้นมัน ก, ก็ต้องมีที่เก็บอย่างนี้เป็นตน้นสาธุพระคุณครับนะ บราไปขอเชิญคุณชานมิตรกราบนมัส ก, การพระอาจารย์ครับเ อ, อ่อก็ผมอยากทราบว่าอะไรคือเหตุให้เกิดถึงอภิญญายานครับผมอะไรที่เป็นอะไรนะเป็นเหตุให้เกิดอภิญญายานครับอะไรเป็นเหตุให้เกิดอภิญญาอภิญญาณนี่ยมันคือคือยานชนิดหนึ่งนั่นเองแต่ว่ามันยิ่งกว่า ธรรมดาก็เเรียกใช้คำว่าอ่ะพิน ญ, ญานอย่างนี้ <c oughs> เหตุที่เกิดขึ้นมันก็จะต้องเกิดขึ้นจากพลังจิตวันจิตถูกสะสมจนกระทั่งสามารถคือมีพลังเพียงพอแล้วก็จะเกิดอ่ะพิญญาณเหล่านั้นขึ้นโดยเฉพาะอย่างยิ่งได้เข้าสู่พลังอานาจขอบคุณครับอาจารย์นิมา ถึงคุณชินเรืองวานิชไปเข้าห้องน้ำบหรอวันนี้ไงอ่ะสิดขอกราบธรรมการซึ่งพระอาจารย์ครับสิ่งที่สิจะถามนั้นจิตก็ทุกท่านได้ถามไปแล้วครับไม่มีข้อข้องใจได้ทุกอ่างครับไม่มีปัญหาจะถาม อหมสมเชิดสมเชิดจริงๆอขอเชิญคุณชุมพลแคนติกลับนวัฒนการพระเดชทุกคุณหลวงพ่อครับผมรอบสองครับผมลูกศิษย์มีคําถามที่จะกรับเรียนหลวงพ่อสองสองคำถามครับผมคําถามที่หนึ่ง เ, เมื่อขณะนั่งสมาธิอยู่นะครับผมจิตรวมที่หน้าผากแล้วทําไม คิ้วถึงยน่นเขาหากันมั้ฮะมีอาการคิ้วยน่นเขาหากันอาจจะเป็นพราะแรงแรงของออจิตที่มารวมที่หน้าผากหรือเปล่าตรงนี้เป็นอย่างนั้ น, น, น, นทีะจริงแล้วก็คิ้วคงไม่ได้มาจริงๆหรอกแต่เป็นความ <Yeah. S 2> เ, เป็นความรู้สึกที่ความรู้สึกที่เป็นเช่นนั้นเป็นการรู้สึก ว่าจิตได้ละอารมณ์ไปเยอะแล้วอ่านจะมีความรู้สึกอย่างนั้นเกิดขึ้นคำถามที่สองครับผมการได้ฌานจะเป็นปฐมฌานทุติยฌานปฏิยฌานก็ตามจิตจะต้องเข้าผูหวังทุกครั้งหรือเปล่าครับผมไม่ทุกครั้งบางทีมเมื่อจิแตแด้เข้าอยู่ที่ฌาน อาจจะไม่เข้าพระวังแต่ทีนี้ก็ใกล้เคียงที่จะเข้าพระวังอยู่แล้วกลับขอบพระคุณต่อไปก็เชิญคุณเชิดชู ร, รมยานนท์กลับนมัสการพระอาจารย์ะคะ่ะขอเรียนถามพระอาจารย์นะคะว่าอย่างให้ทานคนเนี่ยนะคะของที่ที่ใช้แล้วเนี่ยคะ่ะ กับให้ของปีใหม่เนี่ยนะคะเป็นของที่มีค่าเนี่ยคะ่ะจะได้ผลแตกต่างกันอย่างไรคะเอออยู่ที่ศรัทธาของคน <c oughs> คนที่มีศรัทธาจริงๆนม้สิ่งนั้นจะเป็นของเก่าก็ถือว่าได้อานิสองส์อยู่ที่เจตนานะฮะเพราะว่าผู้ทีิมีเจตนาดีเนี่ยเออ ยิ่งให้ของใหม่ก็ยิ่งได้อา น, นิสงส์เพิ่มขึ้นแต่การให้ของเก่านั้นก็อยู่ที่เจตนาคือเจตนานั้นบริสุทธิก็ได้อา น, นิสงส์เท่ากันแต่คนที่ให้ของใหม่นั้นเจตนาไม่บริสุทธิออา น, นิสงส์ก็ลบลงไปอยู่ที่เจตนา